อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีและนางเตือนใจสินทุวนิกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญท่านติดตามรับฟังค่ะ ท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการธรรมารับรุญทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคะ่ะซึ่งก็เป็นรายการธรรมาราบรุญภนพิเศษนะคะทุกๆเช้าวัวนเสาร์และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงตีห้าครึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งออกอากาศในส่วนกลางจากกรุงเทพมหานครนะคะสองคลื่นพร้อมกันค่ะ FM เก้าสิบสุทามก้เฮิร์และ AM แปด้อยเก้าสิบเ็ เฮิร์สคะนอกจากนั้นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคก็ยังรับสัญญาณรายการธรรมระรบรุนซึ่งเป็นรายการที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งใจจัดขึ้นเพื่อที่จะให้ทั้งฟังทางบ้านที่เป็นแฟนรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ตื่นขึ้นมาทุกเช้าในตอนตีห้าถึงตีห้าครึ่งด้วยการรับฟังธรรมะ ดีๆนะคะที่จะสามารถนำมาเป็นข้อคิดนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเราให้พวกเราชาวไทยทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาพุทธศาสนิกชนนะคะตื่นมาพร้อมกับสิ่งที่เป็นแง่คิดดีๆที่เป็นมงคลค่ะก็จัดรายการนี้โดยเสมอมานะคะทุกๆเช้าก็จะมีะพระเดชพระคุณพระอาจารย์องค์ต่างๆมาเทศหรือว่า จะมีที่เป็นท่านผู้รู้ผู้ทรงคุณวุฒินะคะอย่างเช่นท่านอาดีตรองอธิบดีกรมปัะชาสัมพันธ์ท่านจันที่มาเฉลยสงวนนะคะซึ่งท่านก็เป็นบุตรสาวของท่านพลเอกกริบุญการซึ่งท่านก็เป็นผู้ที่ ทราบกันดีนะคะว่าท่านเป็นอดีตดีกรมการศาสนาแล้วก็ท่านได้เขียนหนังสือนังหาที่เกี่ยวกับพุทธศาสตร์ไว้มากมายทีเดียวค่ะก็จะได้รับความเมตตาจากท่านนะคะที่จะมาจัดรายการพิเศษในช่วงตั้งแต่วันที่อ2พฤษภาคมเป็นต้นไปซึ่งก็เป็นการต้อนรับวันวิสาขาบูชานะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อโดยคุณดวงใจมาตยานุมาตรก็เตรียมไว้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วนะคะนอกจากนั้นในช่วงของหลังจากที่อวันวิสาขาบูชาแล้วก็ยังจะมีรายการพิเศษที่คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านสนใจแล้วก็รอคอยจะฟังนะคะคิดว่าท่านผู้ฟังคงจะจําได้ว่าเดชันเคยเกิดให้ทราบแล้วว่าทางสานีวิธีกระจายสิ่แห่งประเทศไทยจะได้กราบนุมนพระอาจารย์บูรณุญพิพุนโน ซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์เอกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทวดสะอาดทโทภาโศท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศตำบนดอนหายโศอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้นำพุทธวันะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามา เล่าหรือว่ามาอาหานให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังนะคะดิฉันขอรับประกันได้อ่าจากการที่ได้ไปปฏิบัติธรรมกับท่าน<ม>ที่วัดป่าดอนหายโศกในช่วงอวันสงกรานต์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยเชื่อมั่นอย่างร้อยเปอร์เซนว่าท่านผู้ฟังจะต้องชื่นชอบแล้วก็จะต้องมีความชื่นใจมากๆเลยถ้าได้รับฟังนะคะอันนั้นก็จะเป็นช่วงหลังจากวันวิสาขบูชาไปแล้วค่ะ เราพบกันในเช้าวันนี้นะคะเป็นเช้าวันเสาร์สุดท้ายของเดือนเมษา ย, ยนแล้วละค่ะเวลาผ่านไปเร็วมากเลยใช่ไหมคะวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์ที่สามสิบเมษา ย, ยนนะคะเป็นวันแรมสิบสองค่ำเดือนห้าปีถ่ค่ะ พบกันในเช้าวันนี้ก็อยากจะขอนําท่านผู้ฟังนะคะมากราบนวัสการพระอาจารย์ภพยบุญอภิปุโนโพร้อมกับประฟังประเด็นที่เราจะสากัะชาคือสนทนาธรรมกันที่คิดว่าน่าสนใจมากเลยนะคะในหัวข้อเรื่องที่ว่าคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ด้วยตัวของเราเองค่ะ ก็หมายถึงว่าถ้าเผื่อเชื่อฟังตามคำสอนของพระพุทธองค์แล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะสามารถพิสูจน์ได้ทุกกรณีนะคะจะมีอย่างไรบ้างนั้นขอเชิญท่นานผู้วังทางบ้านตามมากราบน้ำมศการพระอาจารย์ภับุญอภพีบโนโพร้อมกันกับดิฉันเลยนะคะกราบน้ำมการเจ้าขาพระอาจารย์ภับุญเจ้าขะอาจารย์พรานสาธุจ้าค่ะที่คุณยมเป็นใจพูดถึง อรายการที่จะมีหลังช่วงวันวิสาขบูชาเค่ะคึ้ตอนนั้นก็จะเป็นเรื่องของการเอาพุทธปจนามาเล่าให้ฟังนะเค่ะเรคิดว่านี้เป็นประโยชน์มากแน่นอนค่ะจดการที่ผู้ปฏิบัติหลายๆท่านที่มาปฏิบัติที่วัดป่าตระหนักโศกเนี่ยก็เล่ากันมาว่าโอ้โหดีมากๆแล้วเราก็เลยคิดว่าจะมาลองปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการเพื่อท่านผู้ฟังเนี่ยได้ฟังสิ่งที่ดีๆกันอยู่ประจํา เจทางคณะทํา ง, งานของเราเนี่ยมีคุณดงใจคุณปัญญาชุมจำปีคุณตราพันเดี๋ยวเราก็ประชุมกันอยู่เรื่อยๆคจ้าค่ะที่จะจะเอาข้อมูลตางๆมาให้รับฟังกันได้เจ้าค่ะอ่า อันนั้นจะเป็นสิ่งที่มไม่ไม่เคยไม่เคยได้ยินมาเลยนะเจ้าค่ะเพราะว่าโดยมากเนี่ยเท่าที่โยมีประสบการณ์ก็คือว่าเวลาเราฟังองค์พระต่างๆที่ท่านได้เมตตามาชี้แจงสแสดงธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือว่าทางวิทยุโทรทัศน์ต่างๆนะเจ้าคะ่ะก็มักจะยกคําคสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นที่เป็นภาษาบาลีอ่ะเจ้าคะ่ะจากนั้นท่านก็จะมาอธิบายชี้แจงว่าเป็นยังไงยังไงเป็นหมายถึงว่าสาธยายขยายความนะเจ้า แต่สิ่งที่พระอาจารย์ภัยบูณ์อภิบูโนได้นำมาชี้แจงหรือว่าเล่าให้บรรดาผู้ปฏิบัติธรรมที่หลักสูตรที่ทางวัด ปาดอนหายโศกนะเจ้าคะที่จัดขึ้นคือหลักสูตรหลีกเร้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาเนี่ยที่โยมได้มีบุญได้ไปร่วมมาเมื่อตอนสงกรานนะเจ้าคะจะเป็นสิ่งที่ได้มีการเรียบเรียงแล้วก็เป็นภาษาภาษาพูดเราเนี่ยนะเจ้าคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่องค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้สั่งสอนบรรดาสาวกต่างๆเป็นพุทธวจนะจริงๆอะเจ้าคะซึ่งอันเนี้ย<ใ> น, น่า<ใ>นประทับใจมากเลยไม่ทราบว่ามีต้นเหตุมาจากไหนเจ้าคะก็คือว่าบางคนเนี่ยจะคิดว่า คำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยยากเกินไปเจ้ค่ะนะศัพท์บาลีอะไรต่างๆไม่เข้าใจจับแสงรูปแบบภาษาอะไรเนี่ยเจ้ค่ะซึ่งจริงๆตรงเนี้ยครูบาอาจารย์รุ่นหลังๆมีท่านพุทธทาสเป็นต้นเนี่ยนะเจ้ค่ะที่ท่านได้แปลมาจากภไษาพิทโตรที่เป็นภาษาบาลีแปลมาแล้วแล้วก็รีบเรียงมาออกเป็นหมวดหมู่เรามาก็แก้นําเรื่องที่ท่านได้แปลมแล้วรีบเรียงมาแล้วเนี่ยเราก็รวบรวมเป็นหมวดหมู่ที่มันเข้าใจง่าย S <S แล้วบทบทเพยยียนชนะของพระพุทธเจ้าเนี่ยในการสดแสดงธรรมต่างๆของพระองค์เนี่ยเนี่ยมันเนี๊ยบมาก <S <S แล้วก็คมชัดลึกซึ้งนะพระพุทธเจ้าใช้คําว่าคําของตถาคตเนี่ยคือเป็นตถาคตพาสิทธเนี่ยที่เป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งว่าด้วยเฉพาะเรื่องสุญญตาเนี่ยพอมีใครมาตรามาพูดเนี่ยเราควรจะฟังดีดเนี่ยหูฟัง <S <S ต้องต้องจิตว่าเราจะรู้ท่วถึงอย่างไรซึ่ง ซึ่งตรงนี้ก็จึงนำมาเพื่อประเด็นที่ว่าจริงๆบทธรรมะของพระพุทธเจ้าทุกจากทุกตอนเนี่ยที่เราเอามาอธิบายให้ฟังในหลักสูตรก็ดีหรือว่าจะนํามาเสนอในให้ท่านผู้ฟังต่อๆไปเนี่ยเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้คุเด่นใจเจ้ค่ะพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองเลยนะไม่ต้องรอคนอื่นมาพิสูจน์ให้ เ, เรื่องนี้เี่ยมีในสมัยพุทธกาลี่มีความองค์หนึ่งเด่นใจเขาไปหาพระพุทธเจ้านะเขาก็ไปถามพระพุทธเจ้าบอกว่าเอี่ยชาตที่แล้วเนี่ย ชาพระองค์เนี่ยเกิดเป็นอะไร <Okay. S 2> จู่ค่ะไอ้ว่ารู้ว่าพระรุจ่าเนี่ยรู้หมดทุกอย่างใช่หมจู่ะก็เลยเหมื <Okay. S 2> อนกับไปหาหมอดูอย่างเงี้ยนะจูค่ะไม่ใชสามารถถัมพระรุจ้ามานะนชาติาที่แล้ฉันเกิดเป็นอะไรชาติาที่แล้วฉเคยทำกรรมอะไรมาจะไปแก้กรรมอะไรอย่างไงอย่างเงี้ยนะค่ะ <Okay. S 2> แล้วพอไปหาพระรุจ่าเนี่ยพระรุจ่าก็ถามตามองนี้บอกว่าอ่ะอ่าถ้าถ้าเราบอกว่าชาติที่แล้วเนี่ยหรือห้าสิบชาติที่แล้วเธอเกิดเป็นเสือแล้วสี่สิบเก้าชาติที่แล้วพอเธอตายจากเสือได้เกิดเป็นช้าง ใช่ไหมถามว่าอถ้าเราเคลายามอย่างนี้เนี่ยเธอมีเครื่องรู้เห็นที่จะตรวจสอบการปยายาณของเราได้หรือไม่ใช่ไหม <Okay. S 2> ถามปรามงนี้อย่างนี้ปรามงนี้ก็ไม่มีเนี่ยงั้นถ้าพระองค์จะมาหาขึ้นมาอก็ไม่มีเครื่องรู้เครื่องเห็นพิเศษเนี่ยไม่มี <okay. S 2> ยานอย่างรู้อดีตอะไรนั้นเถอะเจ้ค่ะพอถามไปอย่างนี้แล้วเนี่ยพอปราหมงนี้ตอบอย่างนี้เนี่ยพระเจ้าก็เลยบอกว่างั้นบทสนทนาของเราเนี่ยก็ไม่เกิดประโยชน์นะเพราะว่าไม่ว่าเราจะพูดอะไรออกไปเนี่ย เธอก็ตรวจสอบไม่ได้ใช่ไหมตรวจสอบไม่ได้อย่างนี้เนี่ยเราพูดผิดหรือพูดถูกเนี่ยก็เธอก็ไม่ทราบนะก็ไม่มีความหมายอะไรที่ที่จะมีประโยชน์เกิดขึ้นได้เลยเพราะฉะนั้นอสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เรารู้เนี่ยก็คือว่าอะไรที่พระองค์สอนเนี่ยต้องตรวจสอบได้พ <Okay. S 2> ระองค์จึงบอกพระองค์นี้บอกว่างั้นบทสนทนาของเราเนี่ยจะไม่เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นเลยนะเธอกลับไปซะไม่ต่อไม่คุย <Okay. S 2> ด้วยอย่างนี้เลยนะ เจ้าค่ะเพราะ <kilomet ern S 1> พิสูจน์ไม่ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะก็เลยเราเลยไม่แสดงส <ะ S 2> ไม่ชี้แจงเจ้าค่ะใช่อย่างเราไปหาหมอดูค่ะหมอดูบอกว่าอชาที่แล้วเธอเคยเกิดอยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเด็กหยาบเป็นต้นนะเจ้าค่ะเคยทยําอย่างนั้นอย่างนี้ไว้คือเราตรวจสอบได้ไหมเราก็ไม่รู้นะไม่เป็นไรเจ้าค่ะอไม่เป็นไรเรายกไว้ก่อนอะไรที่ที่ตรวจสอบได้เราก็จะตรวจสอบอะไรที่ยังตรวจสอบไม่ได้เนี่ยผู้ชาให้ทําอย่างนี้ คือพระพุทธเจ้าบอกไว้ตอนก่อนปรินิพานเป็นยมเดเต็จใจ <Okay. S 2> ตอนนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้านอนสีห์สัญญาแล้วนะประวติวไปทั้งตัวแล้วก็ลมหายใจก็ค่อยๆแผ่วเบาก็ยังสอนพิกสุกนะ <Okay. S 2> บอกว่าเนี่ยถ้ามีใครสักคนใดคนหนึ่งนะมาพูดนะบอกว่าอันนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้านะฟังมาเฉพาะต่อนหน้าพระพุทธเจ้าเลย <Okay. S 2> แน่นอนนะถ้าถ้าจะฟังมาแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งถัดคาน <Okay. S 2> อย่าซพ่งเชื่ออย่าเพิ่งคัดค้านแต่ว่าให้กําหนดเนื้อความนั้นให้ดีคือจําให้ได้ซะ <Okay. S 2> แล้วเอาไปเปรียบเทียบในหมวดธรรมหมวดอื่นนะเปรียบเทียบในหมวดธรรมในหมวดวินัยหมวดอื่นว่าถ้าเข้ากันไม่ได้ลงกันไม่ได้ <Okay. S 2> นะคําพูดนี้ไม่ใช่คําพูดพระพุทธเจ้าแน่นอนอืมจ <Okay. S 2> นะ้ะค่ะเธอผู้นั้นฟั่งมาผิดให้ละทิ้งคําหลังนั้นเสียนะแต่ถ้ า, าลงกันได้เข้ากันได้กับหมวดธรรมหมวดวินัยเหล่าอื่น คําเหล่านี้เป็นคําของพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วให้เธอทรงจำเอาไว้ให้ดีเจค่ะ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นถ้าเรารับฟังเรื่องใดเรื่องหนึ่งมานะบอกอวิธีแก้กรรมอย่างนี้อะคุณฟังไว้ก่อนนะแล้วไปเปรียบเทียบกับหมบทธรรมบทอื่นหบดพิในบทอื่งของพระพุทธเจ้าว่าอันไหนเข้ากันได้ลงกันได้เนี่ยถ้าเข้ากันไม่ได้ลงกันไม่ได้ให้ลับทิ้งไป น, นี้ไม่ใช่แน่นอน mm hmm. แต่ถ้าเข้ากันได้ลงกันได้ให้ฟังไว้นะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนค่ะ okay. ประเด็นันอยู่ที่ตรงนี้คุณโยมตื่นใจว่าทําไมเราถึงจะต้องมาฟังที่พระพุทธเจ้าสอนอ่าก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบุคคลที่เป็นสัพพัญญูรู้หมดทุกอย่างแนะรู้ทุกสิ่งจักนะค่ะ <Okay. S 2> แล้วก็เป็นคนที่ฉลาดมากมีไหวพริบเฉียบแหลมนะเวลาที่จะตอบปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยก็พิจรนารณาแล้วนะสามารถกําหนดสมาธินิมิตได้ทุกครั้งในการพูดคําพูดของพระองค์เนี่ยจึงไม่ผิดเลยค่ะ okay. คุณโยมคุณเจริญลองคิดดูนะตั้งแต่คืนที่ตรัสรู้จนถึงคืนที่ปรินิพานเนี่ยสี่สิบห้าปีกว่าๆนะั้นอ่ะคําสอนบอกสอนทุกคําเนี่ยคล้องกันเป็นอันเดียวไม่ขัดแย้งกันเดยประการอื่นเจ้ค่ะเอาเอาอย่างแค่ในสมัยปัจจุบันนะคุณเจริญใจอ่ารัฐสภาเขาออกกฎหมายอย่างเงี้ยเจ้ค่ะออกเป็น ม, มาฉบับหนึ่งก็ไปขัดกับตัวแม่บทฉบับโนู้นยังไม่ห่างกันไม่ทันสิบปีเลย <Okay. S 2> อย่างเงี้ยนะ <Okay. S 2> เขาก็ต้องไปตามแก้ที่นั่นที่นี่อยู่เป็นประจำเจ้ค่ะ อย่างแต่พุะรชาของเราไม่เป็นอย่าง <Okay. S 2> นั้น45ปีเนี่ยพูดกันไม่ขัดเลยก็รียกว่าคํ า, าสอนของพระองค์ท่านนั้นจะสอดคล้องกันหมดนะเจ้าคะสามารถสอบทานกันได้หมดเลยถูกต้องเจ้าค่ะแล้วก็ประเด็นที่จะพูดถึงตรงนีคือว่าเราสามารถตรวจสอบคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ออย่างเช่นว่า่ะถ้ามีพระรชาติสอนนี้บอกว่าถ้าคุณทำจิตศีลนะคุณจะมีความหลังใจเราลองดูไหนลองพูดโกหกเลย อันนี้อย่าบอกว่าพระสอนนะทดลองดูสี่ห้าข้อนี่นะเจ้าคะเอายง่ายเลยเอาสี่ห้ามสาวาชาก่อนนะเจ้าค่ะเจ้าคะง่ายเรื่องที่พื้นพื้นอย่างสี่ห้าธรรมดาเราตรวจสอบเลยถ้าเราโกหกแม่โกหกสามีโกหกภรรยาโกหกคนรอบข้างเราเนี่ยลองโกหกดูแล้วโกหกเสร็จแล้วเนี่ยดูซิมันจะมีความร้อนใจไหมเกิดขึ้นในจิตไหมมีแน่นอนเอาแค่ง่ายๆโกหกเนีย เ, เราต้องโอกหกอีกสามสี่ตลบเพื่อที่จะมาป้องกันาการโกหกครั้งแรกของเราค <c oughs> ให้นคนเ <จะ S 1> ข้าจับไม่ได้นะเจ้าค่ะใช่ๆชค่ะมันมันจะต้องคอยมาคิดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยในจิตของเราต้องมาคอยคิดตลอดเวลาจำวันนั้นเราโกหกอะไรไปตอ <c oughs> นนั้นเราโกหกอะไรไปเจ้าค่ะ จิต <Okay. S 2> ของเขาเนี่ยจะไม่ปกติอราจะมีกังวลใจร้อนใจอยู่ตลอดเวลาใช่ค่ ะ, คะแล้วก็นี่คือแค่เรื่องของศีลธรรมดานะพอร้อนใจแล้วเนี่ยจะไม่มีความสงบสุขนะพอไม่มีความสงบสุขแล้วเนี่ยพระุทธเจ้าก็บอกว่าจิตจะไม่เป็นสมาธิพอจิตไม่เป็นสมาธิเนี่ยจะไม่เห็นตามที่เป็นจริงน ะ, ะก็ไม่สามารถปล่อยวางได้ใ่ค่ะนะแต่ถ้าเราปฏิบัติตามศีล น, นะศีลห้าเนี่ยเราเกครบหมดเลย ลองคิดดูเราจะไม่เราจะมีความร้อนใจไหมเราจะไม่มีความร้อนใจนะพอเราสบายใจแล้วเนี่ยเราไม่ต้องคอยกังวลว่าเราต้องมาโกหกเพื่อปกปิดสิ่งที่เราโกหกไปแล้ว่วไม่ต้องมีความกังวลใจว่าจะมะีคลิปวิดีโอไปโพในอินเทอร์เน็ต <c oughs> ถ้าเราผิดศีลข้อสามอย่างเงี้ยเจ้ค่ะเจ้หรือไม่ต้องคอยกังวลว่าใครจะมาฟ้องร้องมีคดีความในสายเพราะว่าเราเราไม่ได้ทําผิดศีลเจ้ค่ะ อ่าล้วก็พอทํำนี้แล้วเราก็จะมีความสบายใจอันนี้ตรวจสอบได้ในที่นี้อ่าอีกประการหนึ่งต่อมาอย่างเช่นว่าเรื่องของการที่แผ่เมตตาเป็นต้นอ่ะค <Okay. S 2> ่ะลูจกจ้าแนะนําให้มีการแผ่เมตตาแนะแผ่เมตตาไปถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างนี้นะเจ้าค่ะบางคนหนาใจมีความสงสัยว่าเอ๊ะแล้วแผ่เมตตาไปเนี่ยเขาจะได้รับหรือเปล่าค่ะอืมจะตรวจสอบได้อย่างไรค่ <Okay. S 2> นะอ่าเรื่องนี้ก็ตรวจสอบได้เหมือนกันคุณเดินใจทาําไงเจ้า่ะ ยกตัวอย่างเช่นเราเคยเคยไหมที่เคยไปอยู่อใกล้คนบางคนหรือว่าเห็นหน้าคนนี้หรือมาคุยกับคนนี้เรารู้สึกว่าไหนคนเนี้ยมีความอกอุดนมีความสุขคุยกับคนนี้แล้วสบายใจอยู่ใกล้คนนี้สบายใจเคยไหมมีจ้ะค่ะเป็นอย่างนั้นอยู่ที่มีบางคนเป็นอย่างนั้นถูกไหมใช่จ้ะค่ะลองไปถามเขาสิว่าเขาทําำงาน เขาจะเป็นคนที่มีความยื้ยแย้มแจ่มใสอยู่เสมอมีความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์นั่นแหละเขาแผ่เมตตาอยู่เป็นประจําเจ้าค่ะเขาเรียกว่ารู้สึกได้โดยตัวเราเองเลยคนไหนที่แผ่เมตตาอ ย, อยู่เป็นประจํามีความยื้ยแย้มแจ่มใสมีความสบายใจเนี่ยเราไปอยู่ใกล้เขาเราก็สบายใจเรายังรู้สึกได้เลยเจ้ค่ะเพราะแผ่ไปแล้วเนี่ยคนอื่ น, นเขาก็รู้สึกได้เหมือนกันเพราะเรื่องนี้ก็พิสูจน์ได้นี่คืออานิสงส์ของการแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายใช่ไหมเจ้าค่ะ ท, ที่องค์ส萨มาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ใช่ไหมเจ้าคะใช <Okay. S 2> ะ่หนึ่งในนั้นก็คือจะทําให้เป็นที่รักของมนุษย์เจ้าค่ะถ้าเราถ้ า, ามีความรักความเมตตามีความยิย้มย้นแจ่มใสส่งกระแสนี้ออกไปเนี่ย <Okay. S 2> คนรอบข้างเขาก็รู้สึกได้นะ <Okay. S 2> เป็นที่รักของมนุษย์เป็นที่รักของอกมนุษย์น ะ, ะแล้วก็ผิวพรรณก็จะงามงดงามเจ้าค <Okay. S 2> ่ะเคยต้องการเรียกว่าหน้าเด้ง <laughs> ใช <laughs> ก็เรียกว่ามีอ่าดูอ่อนกว่าวัยแล้วก็ให้เจริญเมตตาได้เจริญเมตตก็จะสวยงามเองนะเจ้าค่ะก็คือว่างามมาจากภายในถูกไหมเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะเราเราเห็นบางคนเนี่ยเขาไม่ต้องแต่งหน้าใช่ไหมเขายังมีความงามที่ออกมาจากภายในได้ก็เพราะเขาเรื่องพวกนี้เท่านั้นเองอ๋อเป็นเป็นธรรมชาติที่เราพิสูจน์ได้เจ้าค่ะแล้วก็อย่างเรื่องอื่นๆอย่างเช่นที่พระพุทธเจ้าเคยสอนใน หลักการของอกลธมสูตรไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังเคยได้ยินประสูตรนี้หรือเปล่าที่อ่าที่ได้เคยพูดไว้กับชาวกลารรมที่บอกว่าอย่าจะพึ่งเชื่อนะเพราะว่าด้วยเหตุเพียงแค่ว่าฟังก ต, ตามกันมา <Okay. S 2> อย่าเพึ่งเชื่อด้วยเหตุเพียงแค่ว่าอคนสอนนี่เป็นอาจารย์ของเรา <Okay. S 2> หรือว่าคิดแล้วหาเหตุผลได้ลงตัวพอดี <Okay. S 2> อหรือว่าเขา ปฏิต like so, so, you know, you know, so, right ัดกันมาอย่างนี้ฉันก็ทําตามตามไปอย่างนี้อย่าพึงเชื่อเพราะอย่างนั้นเจ้าค่ะซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยพระรเจ้าบอกชาวกะละมะดนะชาวหมู่บ้านมีหมู่บ้านหนึ่งชนในหมู่บ้านเนี่ยก็เรียกว่าชาวกะลมะดนะค่ะละมันะไม่ใช่กะละแมาค่ะกะละแมเนอร่อยเลยเจ้าค่ะกะละแมมันก็จะเหียวไปหน่อยนึงเจ้าค่ะชาวกะละมะเนี่ยเข้ามาถามพระรูปเจ้าเนี่ยบอกว่าเอ๊ะเนี่ยมีมีเจ้าละทิศหนึ่งเขาก็สอนอย่างเนี้ยบอกกรรมไม่มีผล มีเจ้าลัทธิหนึ่งเขาบอกว่าสอนอย่างนี้บอกกรรมมีผลเจ้าลัทธิหนึ่งเขบอกวิธีแก้กรรมแล้วต้องทําอย่างนี้อีกเจ้าลัทธิหนึ่งก็บอกวิธีแก้กรรมต้องทําอีกอย่างหนึ่งซึ่งทั้งหมดเนี่ยตรงกันข้ามกันโดยสิ้นเชิงแล้วอันนี้เราจะเชื่อใครดีล่ะเราจะเอาคนไหนถูกต้องกันแน่เนี่ยถ้ามันตรงกันข้ามกันอย่างนี้มาจากพระพุทธเจ้านะเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าตอบว่ายังไงเจ้าค่ะพระพุทธเจ้ากเลล่าชาวกัลลังค์อย่างนี้บอกว่าเอย่าเพิ่งเชื่อ นะหรือว่าลงความเห็นเพราะว่าเขาเป็นคนพูดที่มีคนเชื่อถือได้หรือว่าเพราะว่าเขาเราทำตามตามกันมา <Okay. S 2> หรือว่าเขามีคนหมู่มากทําเราก็ทํา <Okay. S 2> หรือว่าเพราะว่าคิดแล้วมันหาเหตุผลมีทฤษฎีประกอบอะไรอย่างนั้นอย่าเพิ่งเชื่อเพราะอย่างนั้น <Okay. S 2> ให้ตรวจสอบเพระงเนี่ยจะเน้นให้พิสูจน์เนี่ยตรวจสอบอตรวจสอบด้วยวิธีการอย่างไรนะคือสิ่งเหล่านั้นที่เขาสอนเนี่ยสมมติ พระชูาสอนให้แผ่เมตตาใช่ไหม <Okay. S 2> อย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งคัดค้านให้ตรจสอบก่อนทำยังไงถ้าทําแล้วไหนลองทําเลยแผ่เมตตา <Okay. S 2> ลองแผ่เมตตาแล้วเนี่ยถ้ากุศลเกิดนะคือกุศลกุศลธรรมเกิดนะคือสิ่งที่เป็นกุศลเกิดขึ้นในจิตสบายใจเนี่ยให้ทําต่อนะถ้าทําแล้วอากุศลเกิดอย่าทําต่อแค <Okay. S 2> ่นี้เองนะหลักการพิจารณาง่ายๆก็คือพิจารณาแค่ว่า เราทําแล้วเนี่ยถ้าอากุศลเกิดเกิดความไม่สบายใจมีราคะมีโทสะมีโมหะมีคนอื่นเดือดร้อนเนี่ยอันนี้ไม่ใช่แน่นอนเจ้าค่ะไม่ต้องทําเลยให้เลิกนะทําไปเลยนะเจ้าค่ะใช่ใช่ชหรือว่าถ้าทําแล้วสิ่งนั้นเป็นกุศลสบายใจกุศลทำเกิดเป็นไปเสื้อรักซึ่งราคะรักโทสะรักโมหะเนี่ยให้ทำได้เจ้าค่ ะ, ค, ะคือคืออันนี้ไม่ได้ไหมายความว่าไม่ให้เชื่ออะไรเลยนะไม่ใช่อย่างนั้น น, ะะนั่นแหละประเด็นคือให้ตรวจสอบด้วยการที่เรียกว่ามีหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็กเอาสิ่งที่เป็นกุศลอกุศลนี่เป็นเกณฑ์สิ่งที่เป็นกุศลอกุศลเป็นเกณฑ์อย่างเช่นว่าอคนทํางานในในที่ทํางานงอย่างเงี้ยเมื่อเราจะเราจะพูดอีกทางหนึ่งออกไปหรือเราจะประมูลงานใดประมูลงานหนึ่งทํางานแบบใดแบบหนึ่งเนี่ยแล้วเราทําทําไปเนี่ยไม่ใช่สักแต่ว่า เขาบอกให้เราทาเราก็ทําำ <Okay. S 2> หรือไม่ใช่สั่งแต่ว่าเขาสั่งมาเราก็ทําลูกค้าสั่งมาฉันก็ทําหัวหน้าสั่งมาฉันก็ทําหรือว่านี่เขาทําตามตา ม, ตามกันมาอย่างนี้ฉันก็ทําแต่ให้เอาเกณฑ์ในการพิจารณานะคือเอาเรื่องของกุศลอกนะุศลเีป็นเกณฑนะ์ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะสบายใจนะ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นถ้าเราลองแผ่เมตตาดูแดูทําสิเธอจะสบายใจไหมถ้าเธอสบายใจทํามีผลดีเธอก็ทําต่อไป okay. ไปตอนแร<น>ก<น>ที่อาจจะมาได้พูดถึงม้างนั้นทดลองดูไม่มีศีลดูว่าจะมีความร้อนใจไหมถ้ามันร้อนใจนะให้เลิกทำะนะให้เลิกการประพฤติทุศีลแล้วลองทําดูว่าถ้าเรามีศีลแล้วเราจะมีความสบายใจไหมถ้าลองทาดูแล้วมันสบายใจเนี่ยให้ทําต่อ น, นะนั่นคือบทพิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธองค์นั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเองแล้วก็เป็นความจริงแท้แน่นอนนะเจ้าค่ะใช่ใช่เพราะฉะนั้นบทพิสูจน์ตรงนี้ก็คือว่าให้เอาเรื่องของกุศลอกุศลมาเป็นเกณฑ์ในการวัด้าค่ะกุศ ล, อ ก, ศลอกุศลก็คือวัดด้วยที่ราคะโทสะโมหะนะทํำแล้วสบายใจไหมทําแล้วไม่สบายใจก็เลิกทำแล้วสบายใจก็ทําต่อเจ้าค่ะนี้ หลักเกณฑ์ตรงนี้ผู้รู้ชาติก็ได้เคยเป็นจักไว้ว่าเอาเรื่องของสีนเนี่ยเป็นมาตรฐานในการประพฤติทางกายทางบาจาเอาเรื่องของสัมมาทิฏฐิแล้วก็มิจฉาทิฏฐิเนี่ยเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการประพฤติทางใจอย่างค่ะอืมอันนี้น่าสนใจมากเลยเจ้าค่ะทีนี้ว่าในเรื่องของการพิสูจน์คาสอนของ พระรุจเจ้าเนี่ยยังมีในแง่อื่นอีกนะ <Okay. S 1> คือบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าเอ๊ะฉันไม่มีเครื่องรู้เครื่องเห็นพิเศษเครื่องรู้เครื่องเห็นพิเศษหมายความว่ามียานอย่างรู้อดีตอนาคตคนนี้เป็นยังไงอะไ ร, <Okay. S 1> ะไรต่างๆอย่างเงี้ยเม <Okay. S 1> ื่อเราจะจะพิสูจน์ได้อย่างไรอันนี้พระรุจเจ้าเนี่ยก็เคยบอกพิสูจน์ทั้งหลายเอาไว้บอกว่าเนี่ยอ่าถ้าเธอไม่เชื่อนะว่าเราเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะเน่ยค้าให้พิสูจน์เจ้ค่ะอ พาให้พิกษุนทั้งหลายหรือสาวก ท, ทั้งหลายเนี่ยพิสูจน์ความเป็นสัมมาสัมพุทธาของพระองค์เองเหมือนด้วยตาแล้วก็ด้วยหู <Okay. S 2> คุณไม่จำเป็นต้องมีเครื่องรู้พิเศษนะคือมีความองค์หนึ่งเนี่ยในสมัยพุทธกาลเนี่ยเ <Okay. S 2> ขาบอกว่าโอ้ยใครจะไปรู้ว่าพระพุทธเจ้ า, านี้ฉลาดขนาดไหนอมีความข้อดีเลอเลิศขนาดไหนนอกจากคุณต้องเป็นพระพุทธเจ้ า, าเองเจ้าค่ะหมายความว่าอว่าคุณจะรู้ได้อย่างว่าคนนี้ฉลาด ถ้าคุณไม่มีปัญญาเท่าเขาคุณก็ไม่รู้หว่าเขาชนะเท่าไหร่ถูกไม่มเพราะฉะนั้นด้วยด้วยประกาศตรงนี้เนี่ยเขาก็เลยสรุปว่าไม่มีใครจะรู้หรอกว่าพระชาจ้าชนะเท่าไหร่นอกจากจะเป็นพระรูจ้าเองแต่แต่ตัวเขาเนี่ยมีเครื่องยืนยันนะในการที่จะยืนยันว่านี่นแหละคนนี้แหละสัมมาสัมพุทธนี่แหละธรรมะที่สัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเนี่ยเป็นของจริงทําได้แล้วก็คนที่ปฏิบัติตามธรรมะนั้นแล้วนะ จากคนหนาๆคนหยาบๆเนี่ยกลายเป็นคนดีขึ้นมาได้มีอยู่จริงแล้ว <Okay. S 2> ก็คือพูดถึงว่าวิธีการพิสูจน์ว่าอพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงถ้าบทพยังชนะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ก็คือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสัมมาสัมพุทธะพระธรรมเนี่ยเป็นสวัสขา์ตะ <Okay. S 2> พระสงฆ์เป็นสุปฏิปันนะ่ะอย่างเงี้ยนะโดยพูดถึงเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยมีจริงตรวจสอบได้อย่างนี้ <Okay. S 2> เขาก็เลยยกตัวอย่างของเขาขึ้นมานี่คือปรามชื่ อ, อคณกะหมกขลา น, นะ mm hmm. เขาเป็นคนพูดขึ้นมาปรามองนี้ก็คือพูดถึงข้อยืนยันของเขานะว่าถ้าเผื่อมีชนชั้นกษัตริย์ชนชั้นปรามแพทย์ือสูตรเนี่ยบรรดาไหนๆเนี่ยที่ต้องการจะม า, าถามคําถามชงคําถามมาอย่างดีเพื่อที่จะไปถามพระพุทธเจ้านะว่าถ้าตอบอย่างนี้จะให้จนอย่างนั้นแต่ว่ายังไม่ทันถามคําถามเนี่ย ก็พอไปสิงห์พทะเจ้าก็แสดงทำให้ฟังแล้วก็ฟังแล้วก็เลยทูลขอบวชบวชแล้วก็บวชจนตลอดชีวิตแล้วก็มรณะผ้าอันขาดผ้าเหลืองว่างั้นเถอะเจ้าค่ะว่ามีเครื่องยืนยันอย่างนี้แล้วเนี่ยเป็นชนชั้นกษัตริย์ชนชั้นอามาตนะเป็นพระราช ก, การเป็นชาวบ้านเป็นลูกคนรวยเนี่ยมีอย่างนี้แล้วเขาจะมั่นใจได้เลยว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นของจริงน <Okay. S 2> ะถ้รทำเนี่ยเป็นของจริงคนหนาหนาหยาบหยาปฏิบัติแล้วเนี่ยเป็นคนดีขึ้นไม่ได้คือพระสง์มีจริงเขาจะมั่นใจ เพราะงั้นต้องถามท่านผู้ฟังหรือคุณเจือนใจอย่างนี้ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราเราเห็นไหมคนที่เป็นลูกเจ้าขุนมูล น, นายนเชื้อเจ้าเนี่ยห ม, ม, ม่อมหลวงหม่อมราชวงศ์เนี่ยบวชไม่สึกมีไห ม, มาอาจจะมาอาจจะบอกให้ว่ามีอยู่ว่าตัวมาทก็มีทั้งหลายองค์เป็นห ม, ม, ม่อมหลวงหม่อมราชวงศ์เนี่ยคนที่เป็นขา้าเป็นข้าราชการใหญ่โตนะเช่นเป็นพลโทพลเอกประหลัดอธิบดีต่างๆเนี่ยเกษียณออกมาแล้วบวชจนไม่สึกตายชาพะเหลืองมีไหม มีเหมือนกันเจ้าค่ะอ่ามีทุกวันนี้ยังหาได้หรือว่าคนที่เป็นลูกเครือขายบดีนะเป็นลูกคนรวยเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านบวตไม่สึบสายชาพ่อเหลือมีไหมมีหาได้เจ้าค่ะนะหรือว่าคนที่เป็นลูกชาวนะชาวบ้านธรรมดาบวตไม่สึบสายชาพ่เหลือ ม, ม, มีไหมมีแน่นอนเจ้าค่ะถ้ามีอย่างนี้แล้วเนี่ยให้มั่นใจเลยเป็น<อ>ตัใจให้ท่านบุคคลทั้งหลายว่าพระพุทธเจ้ามีจริงเจ้าค่ะคำสอนของพพุทธเจ้าเนี่ยใช้งานได้จริง แล้วคนที่เอามาใช้งานแล้วเปลี่ยนจากคนธรรมดากลายเป็นคนดีเป็นคนประเสริฐขึ้นมาได้เนี่ยมีจริงจริงนะเจ้าค่ะอืมต้องเน้นย้ำอย่างนี้เลยเจ้าค่ะอันนี้โยมเชื่อแน่เลยเจ้าค่ะว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่เราฟังพระอาจารย์ไพบุญอภิปุนโนพูดมาเนี่ย โยมเชื่อมั่นว่ากว่า 80% นี้เชื่อตามที่พระอาจารย์ภัยบูลได้เมตายืนยันมานะเจ้าค่ะเพราะว่าคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นเนี่ยเป็นที่ยืยนยงนยะเจ้าคะแล้วก็เขาบอกกันเลยว่าสามารถพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้ด้วยอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ยืยนยงมาออ่ 2,000 ห้าร้อยห้าสิบสี่ปีแล้วนะเจ้าคะ่ะอันนี้ยังไม่รวมที่ที่ระหว่างที่พระองค์ยังได้ประสูตรมายังไม่ได้จัดสรุปเป็นองค์菩萨สาสมภูตเจ้านะเจ้าคะอ่าใช่เจะก็เป็นงันหรอยปีเป็นเงื่อนเป็นใจปีนี้จะเป็นปีครบ2องพหกร้อยปีของการจัดสรุปอืมหรอเจ้าคะอา่าการวิสาขาที่จะถึงเนี่ยครบ2องพันหกรอยปีของการจัดสรุปของพระเจ้าอ๋อเจ้าคะเจ้าคะอืมอืมแล้วเราทำไมเราเป็นปีพศแค่2องพันห้ารอยหสิบี่ะเจ้าค่ะก็บวกไปอีกสี่สิบห้าเ อ๋อเจ้าค่ะเจ้าค่ะอ๋อสีบปีของของอายุที่พระเจ้าเผยแผ่ศาสนาอ๋อเจ้าค่ะเจ้าค่ะน่าประทับใจมากเลยนะเจ้าค่ะอันนี้มีเวลาอีกนิดนึงนะเจ้าค่ะอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบุญพิบุโนได้อ่าฝากท้ายถึงท่านผู้ฟังเจ้าค่ะว่าเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรในแบบเรื่องนี้เจ้าค่ะก็คือสรุปสั้นๆตรงนี้เลยว่าถ้าคุณคิดว่าคุณเนี่ยมาฟังธรรมะอยู่ระลึกถึงพระพุทธระธรรมพระสงค์อยู่เนี่ย อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในจิตใครเขาไหวยางไงเราต้องตรวจสอบธรร <Okay. S 2> มะของพระพุทธาตรวจสอบได้ให้ตรวจสอบด้วยหลักการที่ว่าไป น, นี่แหละใช้กุศลและอกุศล ใ, ใ, ในการตรวจสอบแล้วก็ให้มั่นใจนะว่าคําสอนพรทธาจ้เนี่ยใช้งานได้จริงแตนอาจจะมีแปดเคลื่อนบ้างคนที่เอามาแปดเคลื่อนเราก็เลือกเฉพาะส่วนที่ดีเอามาใช้เลย อืมเจ้าค่ะอันนี้ก็ขอให้มั่นใจนะเจ้าค่ะเพราะว่าคนที่อาบประพฤติปฏิบัติแล้วก็รักษาศีลตามคำสอนขององค์พระสั ม, มาสัมพุทธเจ้านั้นยังไม่มีปรากฏเลยนะคะเท่าที่ผ่านมาว่าจะเป็นคนที่ตกอาบอับจนแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่า ลำบากเป็นคนทุตสีนนะคะอันนี้ก็อยากจะขอฝากถึงท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเป็นแง่คิดดีๆในเช้าวันเสาร์สุดท้ายของเดือนเมษายนนี้ค่ะก็ถึงเวลาที่เราจะต้องกราบนมัสกรารอลาพระอาจารย์เทปุลอภิปุโนโกัแล้วนะคะแต่เช้าวันพรุ่งนี้พระอาจารย์จะเมตตาพูดเรื่องสัมมาวาจาใช่ไหมเจ้าคะใช่ใช yes, <I> ่เจ้าคะเจ้าคะอันนี้ก็ต้องอยากเรียนเชิญชนท่านผู้ฟังให้ตามรับฟังกันให้ได้เลยนะคะว่าสัมมาวาจานั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเครื่องมือของมารที่จะ เรามาหลอกล่อเราต่างๆนานาและวิธีแก้4ี่ประการมีอะไรบ้างตามเราฟังจากพระอาจารย์ไพบุญอภิพุโนโ ล, ลูกศิษย์เอกของประเดศพระกุลหลวงพ่อดออรสะอาดธิโตโอภาโสท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะสําหรับเช้าวันนี้เรามาพร้อมกันกราบนมัสการขอพระคุณพระอาจารย์ไพบุญอภิพุโนโพร้อมกันนะคะท่านผู้ฟังกราบนมัสการและกราบขอบพระคุณเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขา สาดูเจ้าค่ะติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาห้านาฬิกาถึงห้านาฬิกาสาินาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสาหรับวันนี้สวัสดีครับ